จึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาทําภารกิจทางศาสนาทางจิตใจเพราะภารกิจทางจิตใจนี้มีความสําคัญยิ่งกว่าภารกิจทั้งหลายในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นภารกิจที่จะส่งผลที่ถ้าวอ ส่วนภารกิจทางโลกนี้ก็จะมีผลชั่วระยะของอายุไขของชีวิตคือไม่ว่าเราจะได้อะไรมามากน้อยเพียงไรไม่ว่าจะเป็นลาบวดสละเสริมเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อล่างกายตายไป สิง่งต่างๆทั้งหลายที่ได้มาเหล่านี้ก็จะหมดไปแต่ผลที่เราได้รับจากการทำภารกิจทางจิตใจนี้ไม่ได้หมดไปกับความตายของร่างกายเพราะใจยังไม่ตายผลที่ทำเพื่อจิตใจก็จะอยู่กับจิตใจต่อไป เป็นบุญบารมีหรือเป็นบาปเป็นกรรมขึ้นอยู่ว่าทำอะไรถ้าทำความดีทาบุญก็จะมีก็จะมีบุญบารมีติดไปกับใจถ้าทำบาปทำกรรมก็จะมีบาปกรรมติดไปกับใจเวลาไปเกิดก็ต้องมีมืผลที่ ต่างกันไปอย่างที่พวกเราทั้งหลายมาเกิดในโลกนี้เราก็มีความแตกต่างกันทางด้านบุญบารมีหรือทางด้านบาปกรรมเพราะในอดีตเราทําบุญบารมีทําบาปทํากรรมมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันผลจึงส่งให้เรามีความแตกต่างกัน มีความสวยงามแตกต่างกันมีผิวพรรณผ่องใสแตกต่างกันมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดแตกต่างกันมีฐานะการเงินการทองที่แตกต่างกันมีเจริญนิสัยที่แตกต่างกันบางคนก็ขยันบางคนก็เกียจคร้านบางคนก็ชอบอบายมุข บางคนก็ชอบเข้าวัดทาบุญปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ติดมากับจิตใจของแต่ละคนไม่ได้รับมาจากพ่อจากแม่ถ้ารับมาจากพ่อจากแม่พี่น้องที่เกิดมาร่วมบิดามารดาก็จะต้องมีอุปนิสัยเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น พี่น้องที่เกิดมาจากครอบครัวจากพ่อแม่เดียวกันก็มีความแตกต่างกันไปเพราะว่านิสัยต่างๆหรือบุญบารมีหรือบาปกรรมนั้นไม่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อแม่แล้วพ่อแม่ให้ได้เพียงแต่ร่างกายแต่ใจผู้มาครอบครองร่างกายผู้มา นำร่างกายนี้ไปกระทำสิ่งต่างๆนั้นไม่ได้มาจากพ่อจากแม่มาจากก่อนคือมาจากชาติก่อนแล้วก็เอาสิ่งที่เคยกระทำมาในชาติก่อนติดตัวมาด้วยถ้าชอบเข้าวัดก็จะเอาความชอบเข้าวัดติดตัวมาด้วยถ้าชอบเข้าบ่อนเข้าบาร์ก็จะเอา ความชอบเข้าบ่นเข้าบารเข้าบาติดตัวมาด้วยถ้าชอบความเกลียดครางก็จะเอาความเกลียดครางติดมาด้วยถ้าชอบความขยันหมั่นเพียรก็จะเอาความขยันหมั่นเพียรติดเข้ามาด้วยนี่คือเรื่องของจิตใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายที่ยังต้องไปเวรไหว้าตายเกิด ไปตามบุญตามกรรมจนกว่าจะสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วก็จะไม่จาเป็นที่จะต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไปเป้าหมายของพระพุทธศาสนาจึงพุ่งไปที่การไม่กลับมาเกิดเอง เพราะการกลับมาเกิดแต่ละครั้งนี้จะต้องทุกกับเรื่องราวต่างๆมากมายทุกกับร่างกายที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายทุกกับการพักรากจากสมบัติเข้าของเงินทองจากบุคคลที่รักไปทุกกับการต่อสู้ดิน้นรนเพื่อการอยู่รอดทุกกับปัญหาต่างๆ ทุกข์กับอุปสรรคต่างๆทุกข์กับภัยพิบาปต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่ตามมาจากการที่มาเกิดกันพระพุทธเจ้าเป็นพระ อ, องค์เดียวเท่านั้นที่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยพร อ, องเองโดยไม่มีผู้ใดมาสั่งสอน เนื่องจากว่าไม่มีใครรู้นั่นเองพระพุทธเจ้าทรงศึกษากับครูบาจารย์หลายรูปด้วยกันแต่ก็ไม่มีครูบาจารย์รูปใดสามารถที่จะสอนให้ยุติการกลับมาเกิดได้พระองค์เลยต้องไปศึกษาด้วยพระองค์เองลองผิดลองถูกจนในที่สุดก็พบสัจ ธ, ธรรมความจริงว่าการมาเกิด น, นี้ ก็เป็นเพราะความหลงอวิชชาความไม่รู้ความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆคือเกิดจากการมาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาความอยากทั้งหลายนี่แลเป็นต้นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดกัน <c oughs> สันโลกที่มาเกิดในกามาพบคือพบของมนุษย์พบของเดรัจฉานพบของเปรดของนรกพบของเทพนี้เนื่องจากความอยากในการนี้เองมาเกิดเพราะยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุดถั่ภพะยังอยากหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นพระกินผดั่พะชนิดต่างๆ เลยมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นเดรลชานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้าง <c oughs> ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทำเอาไว้ในอดีตชาติถ้าทำบุญรักษาศีลได้ไม่ทบาบาปก็จะได้มาเกิดเป็นเทพมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่ทำบุญชอบทบาบาปไม่รักษาศีล ก็ต้องมาเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างนี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดที่มีกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาเป็นตัวที่จะผลักดันให้จิตต้องไปเกิดใหม่ หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปความจริงนี้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาผู้ที่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามได้ก็ปรากฏมีผู้ที่สามารถปฏิบัติและตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ปรากฏขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ัส เป็นสาวกพระอรหันตสาวกมีเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นพออระอรหันตสาวกก็ช่วยนำเอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้ที่รับการสั่งสอนแล้วนำเอาไปปฏิบัติ เพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจและไม่ต้องกลับไปเกิดใหม่อีกเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เสื่อมไปกับกาลเวลานั่นเองในสมัยพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีพลานุภาพสามารถ ยังประโยชน์คืออารหาัตมรรคอรหัตผลให้แก่ผู้ปฏิบัติได้ฉันได้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีลารนิภาคเช่นเดียวกันสามารถยังให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้บรรลุเถึงมรรคนิพพานได้เช่นเดียวกันจึงปรากฏมีพระสุปฏิปันโน ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ประชาชนเคารพนับถือกราบว่า้ดูชายึดเป็นศาณะยึดเป็นครูบาอาจารย์มาปรากฏในสมัยปัจจุบนันนี้ผู้ที่มีจิตศรัทธาถ้าน้อมเอาคำสอนของท่านเหล่านี้ไปปฏิบัติก็จะสามารถตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ สามารถตัดความทุกข์ต่างๆได้สามารถตัดวิบากกรรมต่างๆที่จะต้องมาปรากฏถ้ายังมีการเกิดอยู่ได้นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามถ้ามาตัดสรุ้และมาสั่งสอนจากโลกก็จะสั่งสอน เพื่อให้สรรพโลกทั้งหลายตัดความอยากต่างๆตัดการมาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะเมื่อไม่มีตัญหาความอยากอยู่ในใจแล้วใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความอิ่มความพอจึงทำให้ไม่มีความ อยากที่จะไปเกิด อ, อีกต่อไปใจของพวกเราและใจของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็เป็นใจเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่างใดถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นรถยนต์เหมือนกันต่างตรงที่ว่าคนขับนั้นไม่ขับรถไม่เหมือนกัน คนเมาก็จะขับรถนแบบหนึง่งคนไม่เมาก็จะขับรถอีกแบบหนึง่งคนฉลาดก็ไม่ขับเลยเพราะไม่จำเป็นที่จะต้องไปไหนมาไหนอยู่บ้านสบายกว่าตัดความอยากออกจากบ้านได้แล้วก็ไม่ต้องไปขับรถให้เหนื่อยยากแต่คนที่ยังมีความอยากออกจากบ้านอยู่ก็จะต้องขับรถทีนี้จะขับรถดีไม่ดี ก็อยู่ที่ว่ามีความรู้ความสามารถที่จะขับรถให้ดีได้หรือไม่เช่นเดียวกับใจของเรา mm hmm. ก็เป็นเช่นนั้นผู้ที่เป็นผู้ที่ขับใจนี้ถ้ามีสติมีปัญญามีความรู้ความฉลาด mm hmm. ก็จะพาใจให้ไปสู่ความสุขความเจริญความปลอดภัยได้ ถ้าไม่ฉลาด ก, ก็จะพาใจให้ไปสื่ความวุ่นวายความเดือดร้อนต่างๆความทุกข์ต่างๆดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราหรือใจของเรานี้เดินไปในทางที่ถูกต้องที่ให้เรามีแต่ความสุขความสงบความร่มเยอนความก้าวหน้าความเาาามจริญรุ่งเรืองเราก็ต้อง ศึกษาก็ทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นคําสอนที่จะพาให้เราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าความสุขที่แท้จริงที่แถวที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดสิ้นแต่ถ้าเราไม่ทําเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราเดินตามความโง่คือความหลงเราก็จะ เดินไปสู่กองทุกข์เดินไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเดินไปตามความอยากต่างๆเราก็จะเดินเข้าสู่กองทุกข์เดินเข้าสู่การเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเดินออกจากความอยากต่างๆได้เราก็จะออกจากกองทุกข์ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะทำคําสอนของพ่อพระเจ้าจึงสอนเพื่อให้เราออกจาก กองทุกข์ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการสอนให้เราปฏิบัติ3ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นตอนที่หนึ่งคือทางแปลว่าการให้สศีลแปลว่าการไม่ทำบาป 3. าการปฏิบัติธรรมภาวน า, าแปลว่าการชำระกิเลสตังหา ให้หมดไปจากจิตจากใจทานกับศีลนี้ไม่สามารถชำระปัญหาความอยากให้หมดไปจากใจได้แต่ช่วยทำให้ความอยากต่างๆนั้นอ่อนกำลังลงได้แต่ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิการเจริญปัญญาที่จะสามารถ ทำลายหรือกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อยา่างถาววงรดังนั้นในเบื้องต้นเราต้อง <c oughs> กำจัดหรือถัดกำลังของความอยากด้วยการมาทำผุนให้ทามารักษาศีลเช่นเราอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมี เราก็เอาเงนนี้มาทำบุญแทนอย่างนี้ก็เป็นการตัดความอยากอยากในการอยากซื้อเสื้อผ้าสวยๆนี่ก็เรียกว่าการมาตัณหาคือเห็นเสื้อผ้าสวยๆก็ชอบใจเสื้อผ้าก็คือรูปที่เห็นด้วยทางตานี่เองหรือถ้าไปดูภาพยนตร์ไปดูการบันเทิงต่างๆก็ไปเสบรูปไปเสพเสียง หรือถ้าไปเดินไปรับประทานอาหารที่ทไม่จําเป็นจะต้องเดินไม่ต้องรับประทานอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเสพ ร, รูปสิ่งกลิ่นรสโผฏฐาลนี่เป็นการมาตัญหาถ้าเราไปเสพไปทําตามก็เท่ากับการสร้างความอยากคือการมาตัญหานี้ให้เจริญก้าวหน้าให้มีกําลังที่จะฉุดให้เราเข้าสู่ การเวียนว่ายตายเกิดให้แน่นให้มากยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเราฝืนใจได้ว่าวันนี้ไม่ไปเที่ยวมาวัดดีกว่าวันนี้ไม่ไปดูหนังฟังเพลงวันนี้จะมาวัดเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้มาทาบุญแล้วก็มารักษาสิงแทนที่จะไปดื่มสุรายาเมาืงซึ่งเป็นความอยากอีกแบบหนึ่งเป็นการมาปัญหาเหมือนกัน อย่างในรถในกลิ่นของสุราในการสัมผัสของของสุรากับร่างกายเมื่อสัมผัสไปแล้วก็จะทำให้เกิดอาการมึนเมาทำให้เลืมปัญหาต่างๆลืมความทุกข์ต่างๆไปชั่วคราวถ้าเราถือศีลเราก็จะได้เสร็จไม่ได้เราก็จะสามารถที่จะตัด ตัญหาหอืทำให้กำลังของมันอ่อนลงไปแต่เรายังไม่สามารถทำให้มันตายได้เพราะพรุ่งนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกพรุ่งนี้มันก็อยากจะออกไปเที่ยวข้างนอก อ, กอยากจะไปซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นอีกซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรืออยากจะไปดื่มอยากไปทานอะไรต่างๆอีกมันจะไม่หมดไป ถ้าอยากจะให้หมดไปเราก็ต้องมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเราต้องรักษาศีลแปกจนเพราะศีลแปนี้จะช่วยตัดกำลังของตัณหาความอยากในกรามนี้ให้อ่อนกำลังลงไปเช่นศีลข้อสาก็ต้องเป็นอภรณจริยาคือละเว้นจากการเสพกามกับ คู่ครองของตนถ้าเป็นศีลข้อสามของศีลห้าก็จะเป็นการละเว้นจากการเสกกรรมกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนแต่ถ้าถือศีลแปล ก, ก็จะไม่ร่วมหลับนอนกับใครเลยจะไม่หาความสุขจากการมาตัญหาความอยากในการนี้เช่นเดียวกับการรับประทานอาหารเพียงเพียงเที่ยงวันเท่านั้น คือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปยา้เพราะว่าร่างกายไม่ต้องการอาหารมากเกินไปที่รับประทานกันมากนี้ก็เพราะการมาตัญหานี่เองคือความอยากในการอยากที่จะลิ้มรสอยากที่จะดมกลิ่นของอาหารอยากที่จะดูรูปร่างของอาหารถ้าอยากจะตัดการมาตัญหาทางอาหารนี้ ท่านให้เรานึกถึงอาหารที่เข้าไปในปากแล้วอาหารที่เรากำลังเที่ยวผสมอยู่กับน้ำลายอาหารที่เข้าไปในท้องหรืออาหารที่ออกมาจากร่างกายล้วแล้วเป็นอาหารเหมือนกันเป็นอาหารที่เราอยากจะรับประทานเหมือนกันแต่ถ้าเรานึกถึงภาพที่อยู่ในปากอยู่ในท้องหรืออยู่ในโถส้วมเราก็จะตัดการรับประา เราก็จะรับประทานอาหารเท่าที่จําเป็นตามเวลาถ้าถือศีลแปก็ไม่จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าเป็นพระมเป็นนักบวชที่ถือข้อที่จะรับประทานอาหารเพียงวันละหนึ่งครั้งก็จะสามารถรักก็จะสามารถปฏิบัติได้ไม่ยากเย็นอะไรถ้าเราคอยระลึกถึง ภาพของอาหารที่ไม่น่าโอชะที่ไม่น่าพึงปรารถนาเวลาที่เข้าไปอยู่ในปากอยู่ในท้องหรือเวลาที่ออกมาใจมันก็จะตัดการมาตัญหาความอยากในอาหารได้เช่นพวกที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักนี้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองไปวิ่งไปยกน้ำหนักให้เหนื่อยไปเปล่าเเพราะ มันไม่ได้ไปตัดปัญหาที่ต้นต่อคือความหลงพอออกจากที่รถที่ออกกำลังกายมาก็นึกถึงภาพของอาหารที่อยู่ในจานอยู่ในร้านมันก็อดไม่ได้มันก็อยากจะกินเองแต่ถ้าเรานึกถึงอาหารที่มันก็ไปรวมกันในท้องที่มันออกมาจากร่างกายของเราเราจะไม่มีความอยาก ถ้าไม่เชื่อลองทดลองทำดูตอนเวลาจะรับประทานอาหารนี้ให้นึกถึงอาหารที่มันจะเข้าไปในปากอาหารที่มันจะเข้าไปในท้องอาหารที่มันจะต้องออกมาจากร่างกายของเราถ้าพิจารนานานสักนาทีสองนาทีนี้จะตัดความหิวความอยากลงไปได้เยอะและจะรับประทานอย่างไม่ไม่มู ม, มามรับประทานเหมือนกับรับประทานยา นี่คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระทุกครั้งก่อนที่จะรับประทานอาหารท่านให้พิจารณาปฏิสังขาโยนิโสก่อนคือให้พิจารณาว่าการรับประทานอาหารนี้ไม่ได้รับประทานเพื่อการมาตัญหาเพื่อความสุขเนี่ยแต่รับประทานเพื่อเยิวยาร่างกายเหมือนกับรับประทานยาได้ ก่อนที่จะรับประทานก็ให้ดูความเป็นปฏิกูลของอาหารก่อนหรือถ้าจะฉลาดนึกภาพไม่ออกก็ให้เอาอาหารที่จะรับประทานที่จะต้องไปรวมกันในท้องนี้ให้รวมไว้ในบาบก่อนให้รวมกันแล้วก็คุกคนมันเข้าไปให้เป็นเหมือนกับอาหารที่จะรวมกันอยู่ในท้องแล้วค่อยรับประทานถ้ารับประทานอย่างนี้แล้วจะรับประทานไม่มาก รับประทานพออีกเพราะว่าไม่มีตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารนั่นเองก็จะรับประทานเหมือนกับรับประทานยา<ม>เวลาหมอให้ยาเรามาเราก็รับประทานเข้าไปโดยไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของยาแต่อย่างใดฉันใดการรับประทานอาหารก็ควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะรับประทานเหมือนกับรับประทานยา แล้วเราจะไม่มีปัญหากับเรื่องการมีน้ำหนักมากเกินไปเราจะได้ไม่ต้องมีโรคภายไข้เจ็บที่ไม่จําเป็นเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันต่างๆที่เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปไม่เชื่อลองไปปฏิบัติ ด, ดูคนที่มีหุ่นไม่ดีทําอย่างนี้สักหเดือนรับรองได้ว่าจะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลย จากตุนก็จะมากลายเป็นขวดจะมีหุ่นเป็นเหมือนขวดน้ำอัดลมไม่ได้เป็นหุ่นของตุง่เพราะว่าเราสามารถควบคุมความอยากในการรับประทานอาหารได้นี่คือการตัดที่จะตัดได้อย่างถาวรเราต้องใช้ปัญญาปัญญานี้เป็นตัวที่จะไปแก้ต้นเหตุของความอยากคือความหลงหลงว่า น่ากินน่ารับประทานเพราะปัญญาบอกว่าให้ดูเวลามันอยู่ในปากเวลามันอยู่ในท้องเวลามันออกมาจากร่างกายว่าเป็นอย่างไรบ้างพอคิดอย่างนั้นบ่อยๆเข้ามันก็จะไม่อยากรับประทานแต่ก็ต้องคอยระวังอย่าคิดมากจนเกินไปเพราะมีบางคนคิดมากจนกระทั่งถึงเวลากินไม่ลง พอเวลาเห็นอาหารในจานก็คิดถึงเวลาที่มันออกมาจากร่างกายทําให้ไม่อยากจะกินถ้าอย่างนี้ก็มากเกินไปก็ต้องหยุดคิดว่าคิดเท่าที่พอที่จะตัดความอยากต่างๆได้เท่านั้นความอยากนี้แหลเป็นตัวที่จะฉุดลากให้เราต้องไปเวียนว่าตายเกิด น, นอกจากการมาตัณหาแล้วก็วยังมีภาะวะตัณหา กับวิภาวะตัญหาภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นคือไม่พอใจกับสถานภาพของเราเป็นโสดก็อยากจะเป็นอยากจะเป็นสามีอยากจะเป็นภรรยาอย่างนี้ก็จะพาให้เราไปสู่กองทุกข์เพราะอยู่คนเดียวนี้ไม่ทุกข์เหมือนกับอยู่สองคนถึงแม้ว่าจะมีความสุขจากการอยู่สองคนแต่ก็มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นมาเอง เพราะเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องดูแลกันต้องห่วงกันต้องห่วงกันแล้วก็อาจจะต้องทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะว่ามีความเห็นไม่ตรงกันมีความอยากไม่ตรงกันคนหนึ่งอยากอยู่บ้านดูนดูโทรทัศน์อีกคนหนึ่งอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกอย่างนี้ก็จะทะเลาะกันได้แล้วเมื่อเกิดทะเลาะกันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา หรือไม่ทะเลาะกันอยู่กันไปนานๆเขาก็จะเบื่อกันได้ของอะไรที่จําเจเห็นกันบ่อยๆเหมือนกับกินข้าวกับข้าวอีกชนิดเดียวถึงแม้ว่าจะอร่อยขนาดไหนจะชอบขนาดไหนก็ตามถ้าต้องกินทุกวันทุกวันก็จะเบื่อได้แล้วก็จะเกิดการแตกแยกกันได้เคยรักกันก็อาจจะไม่รักกันได้ ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจตามมาสู้อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวสู้เอาชนะความเหงาให้ได้ฉันถ้าชนะความเหงาชนะความว้าเหวได้ก็จะไม่เดือดร้อนวิธีที่จะชนะได้ก็ต้องนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจก็จะไม่ว้าเหวเพราะใจไม่คิดปรุงแต่งถึง ความสุขที่จะได้รับจากคนนั้นหรือคนนี้นั่นเองความความว้าเหวความเศร้าโอยหมอยเหงาๆนี้ก็จากความคิดปุ่งแต่งของใจที่ไม่สงบนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าเราทำสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ความรู้สึกเศร้าโอยหงอยเหง า, ว, าว้าเหวป่าเปี่ยวเดียวดายก็จะหายไปจะอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุข อยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องไปหากคนอื่นมามาทุกข์ด้วยเพราะว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมาจะดีหรือไม่ดีก็ตามเราจะต้องทุกข์กับเขาอย่างแน่นอนดีก็ทุกข์ไปแบบนึ่งไม่ดีก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งสู้ไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวให้ได้ถ้าอยากจะอยู่ให้ได้ก็ต้องนั่งสมาธิให้เป็นเพราะเวลาเหงาก็นั่งสมาธิ พุดโทพูดโทไปไม่นานใจก็จะสงบ พ, พอสงบแล้วก็หายเหงาหายว้าเหวเพราะออกจากความสงบก็ใช้ปัญญาคอยสอนใจว่าอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากเป็นอะไรอย่าไปอยากมีอะไรเพราะว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นสู้พอใจกับสถานภาพของเราดีกว่าเราเป็นอะไรเรามีอะไรก็ให้มีความพอใจ ถ้ามีความพอใจแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรนี่คือการตัดตัณหาวิภภาวะตัณหาเช่นเดียวกับการตัดวิภภาวตัณหาคือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่มีอะไรหรือไม่เป็นอะไรก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนีเ่เราต้องยอมรับความจริงว่าเราทุกคนร่างกายของเราทุกคน เมื่อเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุ ก, ทกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปกลัวให้เรารู้ว่าเราเป็นผู้ดูแลร่างกายเราเป็นเจ้าของชั่วคราวของร่างกายเราก็ดูแลเข้าไปเหมือนกับเราดูแลรถยนต์จนกว่ารถยนต์คันนั้นมันจะพังไปมันพังก็พังไปเราไม่ได้พังไปกับมันร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายตอนเราก็ไม่ได้แก่ไม่เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเกิดความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายเพราะถ้าเกิดความอยากแล้วก็จะเกิดความทุกข์ถ้ายอมรับความจริงแล้วก็จะไม่ทุกข์จะเฉยๆจะสบายตายไปแล้วก็จะไม่ไปเกิดใหม่เพราะจะไม่ได้อยากมีร่างกายอันไหนอ ต่อไปเพราะไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีความอยากมีอยากเป็นเราก็จะไม่ต้องไปทุกกับการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติได้ผลกันผลนี้ก็จะเป็นของเราเช่นเดียวกันจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญบารมี เพื่อตัดพบตัดชาติตัดการเวรว่างตายเกิดตัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจให้ท่านได้นำเอาไปพินิพิ จ, จรารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้มาบงเพิญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและคามเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาะโดยทั่วหน้ากันเธอ